ข้อความในมันชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตอนนี่นะพูดถึงเทา้าสกะเนี่ยนะเมื่อไปถามปัญหาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ถามโดยย่อพระองค์ก็ตอบโดยย่อนะเรียกว่าสมความปรารถนาของผู้ถามอยางนั้นเทา้าสกะก็กลับไปเข้างานกีฬาต่อ น, นนะไม่รู้กีฬาสีของดาวดึงฤษฟ้าไม่ทราบ ทังนั้นพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความรำร็จว่าเท้าสักกะนั้นทราบความคือหมายว่าเข้าใจเนื้อหาอย่างแจม่มแจ้งพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบจึงยินดีเอ๋สาทุสาธุนี่มันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องสาธุกลับไปเนี่ยนะคือคือ <c oughs> ในอัตถกถาที่อธิบายว่า คือพระมหาโมคคลานะเนี่ยก็อยู่ในห้องถัดไปนั่นแหละพระมหาโมคคลานะได้ยินคำถามของท้าวส ก, กะที่ถามพระพุทธเจ้าออกไปพระพุทธเจ้าตอบพระโมคคลานะไม่ได้ยินเสร็จแล้วได้ยินอีกทีหนึ่งก็สาธุสาธุสาธุแล้วก็กลับไปเอ๊ะเข้าใจหรือไม่เข้าใจรู้ปัญหาแล้วจึงยินดีหรือไม่รู้แล้วสัศ่ศีรษะกันแน่ทาไมก็เลยคิดว่า อันที่จริงบอกว่าพระเทระไม่ได้ยินเสียงการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าแต่ได้ยินเสียงอนุโมทนาของเท้าสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นก็แปลว่า <ral: S 1> ใช่เลยใช่เลย <S <s <illy> <S ก็เลยกลับไปเลยนะนะถามว่าเพร่อเฮไรพระเทระจึงไม่ได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าตอบว่าเพราะยังบริสัทให้รู้จริงอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแ ส, สดงธรรมอันบริสัทในที่สุดจักรวาลย่อมได้ยินเสียง อันเดียวกันแต่เลยที่สุดบริษัทไปแล้วเนี่ยนะจะไม่เล็ดลอดเสียงจะไม่เคลื่อนออกไปภายนอกแม้แต่องคคูรีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนแสดงให้เฉพาะเท้าสักกะฟังเสียงจึงไม่ลอดออกไปข้างนอกห้องได้ยินอยู่เฉพาะข้างในเฉพาะสองคนเท่านั้นอะ่ะทำไมล่ะเพราะมธุรวกถาคําพูดที่มีคุณค่าเช่นนี้เนี่ยไม่สมควรที่จะสูญสลายไปโดยไร้ประโยชน์ ดังนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในห้องอันเป็นเสดในกูตาคารสาลาอันสําเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการบนปราศาสของมิขารามานดากูตาคารอันเป็นที่อยู่ของพระสารีบุตรเทระอยู่ข้างขวาห้องของพระโมคคัลลานะอยู่ข้างซ้ายเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วก็ในในในห้องเนี่ยนําก็เป็นกําแพงกั้นอยู่ใช่ไหมห้องพระพุทธเจ้าเหมือนอยู่ตรงกลางห้องพระสารีบุตรอยู่ห้องขวาพระโมคคัลลาอยู่ห้องซ้ายแล้วก็มีกําแพงกั้น พระเทระเนี่ยหูดีล่ะแต่ว่าพระอุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้ได้ยินเสียงเพราะท่านมนสิการเฉพาะเสียงของเท้าส ก, กะนะทีนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะเท้าส ก, กะเนี่ยนะรู้หรือไม่รู้เนอก็เลยคิดต่อไปว่าถ้ากระไรเราพึงรู้เรื่องของเท้าส ก, กะว่าเท้าส ก, กะรู้เรื่องของพระภาษิต ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีอนุโมทนาหรือว่าไม่รู้แล้วก็ยินดีตกองลองว่าเท้าสากาฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจกันแน่ลำดับนั้นพระมหาโมคลานะก็หายไปจากปราศาสตรของมิคารมานดาในวิหารปุปภารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงประหนึ่งบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนที่งอออกไปหรืองอแขนที่เหยียดเข้ามาฉะนั้น สมัยนั้นเท้าสักกะจอมเทพกำลังเ อ, อื้ออิ่มพรั่งพร้อมบาเรอตนอยู่ด้วยดนตรีห้าร้อยในสวนดอกบุญทริกล้วนเนี่ยนะไม่มีแต่สวนบัวเลยเหนท้าเธอได้เห็นท่านพระมหาโมคคลานะมาจากที่ไกลก็เลยให้หยุดเสียงดนตรีอันเป็นทิพย์เอาไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปหาพระมหาโมคคลานะรับสังว่ามาเถิดนิมนต์มาเถิมมเดท่านมาดีแล้วนานแล้วท่านได้ทาปริยายเพื่อจะมาในที่นี้ นิมนนั่งเถิดอาสนะนี้แต่งตั้งเอาไว้แล้วก็นิมนนั่งอ่ะนะส่วนเท้าส ก, กะจอมเทพก็ถืออาสนะตําแห่งหนึ่งนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งทำพระมหาโมคลานะก็ถามเท้าสักกะผู้นั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงธรรมะความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้น แห่งตันหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรคือพระพุทธเจ้าบอกหลักการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิพพานแบบย่อๆอย่างไรขอโอกาสเถอะแม่ข้าพเจ้าขอมีส่วนเพื่อจะฟังนั้นอันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงท้าวสกกะก็ตอบเลยว่าข้าแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมาก มีธุระที่จะต้องทํามาเยอะเนี่ยนะนะ ล, ลองดูนะฟังทำจบแล้วไปถามเอาสูตรเดียวกันเนี่ยนะไปถึงบ้านแล้วถามดูหน่อยนะพทรไปถามก็ได้นะหรือไปแวะห้างหน่อย น, นะนะไปถามยืนที่ห้างไหนไหนเออแล้วพสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงนะสูตรเนี่ยจําได้ังหรือเปล่านะบอกว้ลืมตั้งแตออกห้องแล้วว่า น, นั้นอันนี้ก็เลยอ้างบอกข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระที่จะต้องทํามากธุระส่วนตัวก็มีธุระของเทวดาชั้นดาวดึงก็มี เพราะฉะนั้นภาสิทธิ์เหล่าใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันแม่ฟังแป๊บเนี่ยเนื่องจากกิีมากธุระเยอะฟังจบก็ลืมเลยเนี่ยนะว่าเงี้ยเถอะพระภาสิทธินั้นส่วนพวกท่านอะฟังดีเรียนดีทําไว้ในใจดีทรงไว้ดีแล้วนะก็คล้ายปัจจุบันในโยมบอกโอ้โยมมาเรียนธรรมะยากพระอะเรียนง่ายอย่างงี้ย น, นะก็ยกถวายพระหมดแหละว่าเงี้ย ทีนี้นท้าวส ก, กาก็บอกว่าข้าแต่ท่านพระมหาโมคคลานะเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะยกประวัติความหลังมาเล่าให้ฟังเลยเรื่องเคยมีมาแล้วมีสงครามระหว่างเทวดากับอสูรเนี่ยรบประชิดกันในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าชน ะ, เ ท, ะเทวาสุระสงครามเสร็จสิ้นแล้วกลับมาจากสงครามนั้นข้าพเจ้าก็ให้สร้างเวชยันตประสาทเวชยันาาต์ประสาทเนี่ยมีอยู่ร้อยชั้น ชั้นห น, หนึ่งเนี่ยมียอดอยู่เจ็ร้อยอดแต่ละยอดเนี่ยมีนางอับสร อ, อยู่เจ็ดร้อย น, นางอับสอนแต่ละนางอับสรแต่ละนางมีเทพพธธิดาหญิงรับใช้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยแต่ละคนเนี่ยมีบริวารเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกันหมดเลยเนี่ยนะข้าแต่พระมหาโมคคลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตปตระสาหรือไม่ไปขอถามธรรมะแบบเที่ยวชวนบ้านอะครับเราดูบ้านดีกว่ามั่งนะนะแตถ้าพูดแบบธรรมดานะจะมาเยี่ยม เอามาอ้าวธรรมะเมื่อกี้ที่ไปฟังธรรมเนี่ยไปฟังเรื่องอะไรมาเข้าใจดีหรือเรื่องราวเป็นยังไงหรือโอ้ยกิดมากสุรามากดูบ้านดีกว่าเนี่ยนะโอยนี่ห้องนี้จิตกรรมฝาผนังอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคล้ายแบบนั้นนะที่นี้คำที่น่าคิดสักเล็กน้อยที่บอกว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยนะ ที่เท้าส ก, กะบอกว่าเขาเนี่ยมีกิจมากมีธุระมากเนี่ยกิจทั้งกิจส่วนตัวทั้งกิจของเทวดาทั้งหลายคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยท้าส ก, กะตัวกิจของเขาไม่ค่อยมีเรื่องเท่าไหร่ส่วนตัวนะแต่พวกเทวดานี่ก็ทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันคือคดีความเนี่ยน ะ, ะตั้งแต่พื้นดินไปเพื่อตั้งแต่ต้นกลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องต้นไม้เรื่องคําตัดสินส่วนใหญ่ๆเรื่องสําคัญสำคัญเนี่ยเท้าสกะเป็น เป็นคนออกว่าความหมดเลยนะท้าสากะก็หน้าที่อันหนึ่งก็คือว่าความทีนี้เท้าเธอก็วิธีวิธีตัดสินความอ่ะนะตัดสินความก็เรื่องอะไรบ้างเรื่องแย่งบริวารเนี่ยแหละออจะตกตกลงว่าคนนี้จะเป็นบริวารใครกันแน่ยกตัวอย่างก็บอกว่าถ้าลูกชายลูกสาวเนี่ยถ้าเกิดที่ตักของเทวดาถ้าเทวดามาเกิดบนตักแสดงว่า น, นี้ลูก เขารู้กันเลยว่าอันนี้เป็นลูกแล้วนะถ้าไปอยู่บนตักใครคนที่ทิพนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่ไปคนที่มาเกิดบนตักก็ถือว่าเป็นลูกไปไม่ต้องคลอดนะนะสบายดีส่วนถ้าหากว่าหญิงภริยาเนี่ยหญิงรับใช้เนี่ยจะเกิดที่ไหนนอนไปอยู่ที่นอนไปเกิดที่นอนก็แปลว่าภริยาถ้าถาเทวดาผู้ประดับตกแต่งก็จะเกิดแวดล้อมถ้าเกิดในบริเวณใกล้ๆก็แสดงว่ามาเป็นคนรับใช้ หรือผู้ช่วยเหลือกิจการงานก็มาเกิดภายในวิมานถ้าหากว่ามาเกิดในอนณาเขตบริเวณของเทวดาท่านใดก็แสดงว่าไม่ต้องตัดสินแต่ถ้าหากว่ามาทุกขามเนี่ยนะเช่นเกิดนางเทพพัทดาท่านหนึ่งเนี่ยมาเกิดในระหว่างเขตแดนพอดีเป้เนี่ยนะเรียกว่ามายืนอยู่ในเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางเขตแดนของเทพบุตรสอ ง, ององค์เนี่ยก็เลยไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่าควรจะเป็นสมบัติของท่านหรือของเรา จะเอามาเป็นบริวารใครดีเนี่ยนะทนี้ก็ต้องไปถามท้าวส ก, กะท้าวส ก, กะวิธีสอบสวนก็บอกว่าเอาไอเส้นตรงนั้นมันอยู่ใกล้วิมานใครถ้าใกล้วิมานเทพบุตรองคใดก็ยกให้องนั้นไปเอ๊ะแล้วมันอยู่ใกล้เท่ากันนะแล้วผู้เกิดมาเนี่ยเทพพนิดาตอนเกิดเนี่ยลืมตาครั้งแรกมองเห็นเทพวิมานใครถ้ามองเห็นวิมานใครก็สมบัติของผู้นั้นถ้านางไม่ดูแม้แต่วิมานเดียวนั่งดูแต่แขอบเส้นขอบกาแพง อ้าวก็อย่าทะเลาะ ก, กันเลยนะไปเป็นบริวารของเราก็แล้วกันนี่ยนะก็เสร็จคือว่าวเข้าโรงเข้าศาลหมดนะนะก็มีนะนะอย่างในธรรมบทเนี่ยอย่างพนางโรหินีนี่ก็เหมือนกันอันนั้นบุญปัดกวาดเช็ดทูมามากก็เลยทําให้เกิดมาเป็นคนรูปสวยก็ไปเกิดอยู่ในเคือว่าวสีแดนเนี่ยนะก็มันมุมของก็ก็เหมือนกับบ้านสี่เหลี่ยมนะบ้านสี่เหลี่ยมแล้วไปเกิดตรงสี่เหลี่ยมพอดีเลย กไหมครับว่าตรงตำแหน่งของเทพบุษรี่องค์เนี่ยนะเรียกว่าจุดศูนย์กลางตรงนั้นอะ่ะระหว่างเขตแดงของเทพบุษสี่องค์ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นของใครแล้วนางก็สวยมากเลยเนี่ยนะในความที่สวยมากก็เลยเทพบุตรแต่ละคนนี่ก็โอ้ยจิตไม่เป็นปกติทุกคนอยากจะได้เป็นของตนเนี่ยนะจะทะเลาะกันก็ยอมขอให้ได้เถอะก็เลยขึ้นไปก็ไปให้ท้าสกะตัดสินท้าส ก, กา่าก็บอกว่าอะนะ เออแล้องค์ที so th th Ooh, ่หนึ่งถามเนี่ยตั้งแต่ท่านเห็นนีท่านคิดยังไงโอ้ใจไม่เป็นปกติเลยเหมือนกลองศึกรวังอ่ะโอู้งๆต่ำๆใจไม่ปกติเลยตั้งแต่เห็นอ่ะแล้วคนที่สองเห็นแล้วคิดยังไงโอ้ยไม่เคยเห็นใครงามขนาดนี้ตาแทบถลนมาเหมือนตาปูเลยว่างั้นไอคนที่สามก็บอกโอ้ยเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับธงที่อยู่บนอากาศมาใจเนี่ยมันแข็งไกวตลอดเวลาเลยนะไอคนหนึ่งก็บอกว่าเท้าสักกะว่าเออฟังดูหน่อยละกันว่างั้น ข้าพเจ้าเนี่ยนะก็พวกท่านก็พอจะทนกันได้นะข้าพเจ้าทำไม่ได้นางข้าพเจ้าคงตายเป็นแน่บอกว่าพระ อ, องค์อย่าตายเลยนิมนถวายน่นนะก็เลยอย่าศึกได้น่นนะคือบางทีเรื่องอย่างนี้แหละที่จริงอะ่ะถ้าสังเกตดูให้ดีนะสงครามสมัยโบราณเนี่ยศึกชิงนางเขาบอกโอ้พระราชาพระ อ, องค์โน้นเหสีสวยกาแกล้งยกทัพเมืองนี้ไปเนี่ยนะแต่อธิบายให้ประชาชนฟังดีหน่อยอะนะทหารก็จะไปตายกันก็ส่วนใหญ่สงครามโบราณเป็นลักษณะนี้ ให้ขาวว่าบ้านโน้นเขามีช้างสวยเอาจะไปตีเอาเมืองพันธบ บ, บบโบราณนี่ก็ปล้นกันไปปล้นกันมานะั่นแหละพวกพวกลักษณะนี้ก็เหมือนกันเทวดาเนี่ยนะเทวดากับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนิสัยบางอย่างมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าก็ ก, ก็อย่างว่านะมันระดับสูงหรือระดับต่ำแค่นั้นแหละก็มีแต่ความต้องการหวยหิวทะเยอทยานเหมือนกันนะั่นแหละปัญหเรื่องของเทวดานี่เนื่องจากเทวดาชั้นดาวดึงมันโยอะนะ มันก็เลยมีเรื่องประเภทเนี่ยมากเนี่ยนะเท้าส ก, กาก็เลยโอ้ยต้องไปวินิจฉัยว่าความค่อนข้างบ่อยทีนี้ย้อนกลับมาบอกว่าเนื่องจากว่าฟังธทำปั๊บก็ลืมเลยเพราะอะไรเพราะมาเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันครอบงําท่วมทับจิตใจพระโมคคารนะไปถามก็บอกว่าไปเที่ยวเที่ยววังดีกว่าไปดูปราสาทดีกว่าก็เลยชวนไปดูเวชยันตแต่ประสาทที่มีลักษณะสูงเท่าไหร่สูงร้อชั้นแต่ละชั้นมี700ร้ยยอดแต่ละยอดมีอ่า กูตาคาแต่ละกูตาคารมีนางอับสรเจ็ดร้อยแต่ละนางก็มีหญิงรับใช้อยู่700ยเนี่ยยิ่งใหญ่มาก น, นะก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันเยอะขนาดนี้เลยหรือก็บอกว่าบริวารที่เป็นผู้หญิงของท้าวสักกะประมาณสักสองล้านหเนี่ยนะเอ้ยสองกดาก็ประมาณ25ล้านเนี่ยนะเยอะมาก2โกดครึ่งนะสองโกดครึ่งก็25ล้านครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพก็ชวนท้าวเวสวร์มหาราช คือท้าวจาตุ ม, มหาราชเนี่ยนะเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยมีมหาราชอยู่สี่องค์ท้าวเวสวรรน์เนี่ยเป็นเป็นคนสนิทของของท้าวสักกะเป็นผู้ที่ท้าวสักกะโปรดปรานเพราะฉะนั้นไปไหนก็จะชวนท้าวเวสวรรน์นี้ไปด้วยมันทั้งท้าวสักกะและท้าวเวสวรัน์ก็นิมนต์พระมหาโมคคาลานะออกหน้าไปแล้วก็เข้าไปยังเวชยันต์ตับปราสาสตร พวกเท พ, พธิดาผู้บำเรยหญิงรับใช้เนี่ยนะหญิงรับใช้ของท้าวสกตะเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาจากที่ไกลก็เกรงกลัวกล่าวว่าเกิดฮิริโอต ป, ปะอยู่ก็เข้าสู่ห้องเล็กๆของตนของตนคล้ายกับว่าหญิงสะภย้ยเห็นพ่อผัวเข้าก็เกรงเกิดฮิริโอต ป, ปะฉะนั้นเนี่ยนะครั้งนั้นท้าวสกกะจอมเทพและท้าวเวสสวรร์มหาราชเมื่อให้ท่านพระมหาโมคขลานะเดินเที่ยวไปในเวชยันต์ตระศาสตรก็ พระ อ, องค์ก็ตรัสว่าข้าแต่ท่านพระมหาโมกขลานะขอท่านจงดูสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตับปราสาสตร์แม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตประศาสตร์นี้ถ้าเล็นสมัยนี้ค่ ะ, คะว่าพาไปดูบ้านนะพาไปดูบ้านนะก็บอกเลยนะจิตกรรมฝาผนังอันนี้นะภาพอันนี้ซื้อมาจากที่โน้นกว่าจะประมูลมาได้นะโอ้ใช้เวลาอย่างนี้หรือปแปรประพวกสะสมของเก่านะ ไปก็มานั่งเล่าแต่และชิ้นได้ยังไงมาเนี่ยนะชิ้นนี้ได้มาจากที่โน้นชิ้นนี้ได้มาจากที่นี้กว่าจะได้สิ่งนี้มามันลาบากอย่างนี้อย่างนี้ก็หมดวันแล้วนะอันนี้ก็สวยอันนั่นก็ดีเป็นตน้น